สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตดทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่เราได้มาร่วมนมัสการด้วยกันถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะคะหลายคนอาจจะเสร็จจากนมัสการนี้แล้วอาจจะมีโปรแกรมในการที่จะต้องเดินทางเพื่อไปพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอพระเจ้าจะทรงอเมรพระพรทุกท่านให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแต่เหนือสิ่งอื่นในไดได้ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในเรื่องของการที่เราสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์กร นะคะนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้เมื่อเราได้สแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เพราะฉะนั้นขอพระพรดันดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะมีแด่พี่น้องทุกท่านนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนแล้วก็แทบจะทุกคนด้วยซ้าที่มักจะบอกว่าเป็นเดือนที่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในวาระแห่งความโศกเศร้านะคะแล้วก็เป็นเดือนที่หลายๆคนคิดว่าเหมือนเป็นฝันร้ายเลยก็ว่าได้แต่ว่าในการสูญเสียที่เกิดขึ้นดิฉันคิดว่าเราได้พบพะพรมากมายที่ผ่านทางการสูญเสียครั้งนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นว่าในยามที่ประเทศชาติเกิดความยากลาบากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาเสมอ คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาตินะคะและนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายยังคงมีกำลังใจและดิฉันเชื่อว่าหล า, หลายประเทศในโลกนี้ก็กำลังจับตามองเราอยู่ว่าคนไทยกำลังทำอะไรแล้วก็จะมีปฏิกิริยายอย่างไรและหลายๆลายเสียงหลายๆประเทศก็เห็นตรงกันว่าในยามยากลาบากอย่างนี้แหละที่คนไทยนั้นรักกันช่วยเหลือกัน ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปถวายพระพรถวายลงชื่อนะคะถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงวันที่ได้เดินทางไปนั้นก็ได้เห็นบรรยากาศของคนมากมายที่ไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่ว่าเรามองกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ยิ้มให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนี่แหละเป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่า มันเป็นพระพรในความทุกข์ยากที่กำลังซ่อนอยู่นะคะแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจที่เราเองก็จะมีความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยเช่นกันและในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ทางคิตสจกรเองได้ตั้งหัวข้อว่าให้เป็นเดือนแห่งการเป็นพยานและการรับใช้ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราได้ฟังกันมาตลอดทั้งเดือนนะคะที่จะหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้ลุกขึ้นมาในการปณิบัติรับใช้ ดิฉันเชื่อว่าชีวิตแห่งการรับใช้เป็นเป็นเหมือน d n a อ็ในชีวิตของคริสเตียนทุกคนนะคะเราไม่สามารถที่จะเชื่อพระเจ้าและบอกว่าเราเชื่อเท่านั้นโดยที่เราไม่ทํานะคะมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราก็คือเราเองจะมีหัวใจแห่งการรับใช้การรับใช้ไม่ได้หมายถึงแค่ออกมายืนบนธรร ม, มาตแล้วเทศนา การรับใช้ไม่ได้หมายถึงแค่การร้องเพลงหรือการนำนมัส ก, การอยู่ด้านหน้าการรับใช้หมายถึงชีวิตการรับใช้หมายถึงชีวิตเราทุกคนพระเจ้าทรงวางตำแหน่งของเราในที่ที่เหมาะสมไม่ว่าเราจะทำงานในบริษัทเราเป็นข้าราชการเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นหลานในทุกๆตำแหน่งเรามีโอกาสในการรับใช้พระเจ้าได้เสมอ พระ อ, องค์ไม่ได้เลือกว่าพระ อ, องค์จะใช้ใครแต่พระ อ, องค์ดูหัวใจว่าใครเต็มใจจะให้พระ อ, องค์ใช้นะคะและนี่เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของผู้เชื่อที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นและเมื่อหัวข้อสําหรับเดือนนี้เป็นเรื่องของการรับใช้ตลอดเดือนนี้ผ่านมาเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของการรับใช้ที่เป็นเรื่องของบุคคลนะคะแต่วันนี้พระพรที่ดีฉันจะนํามาแบ่งปันเป็นเรื่องของ ภาพรวมก็คือคิสซจักดิฉันให้หัวข้อว่าคิดซจักแห่งการรับใช้คิสซจักแห่งการรับใช้คาคําว่าคิสซจักอาจจะตีความหมายในเรื่องของการที่เราอยู่รวมกันนะคะเป็นหมู่คณะหรือแม้กระทั่งตัวเราคนเดียวเราก็คือพระวิหารหรือคิดซจักของพระเจ้าเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พระพรที่จะนํามาฝากทุกท่านนะคะอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่สิบอดข้อ19ถึงข้อสามสิบ เมื่อพูดถึงเรื่องของการรับใช้พรมพีที่โดดเด่นมากเลยทีเดียวใน66เล่มนี้ก็คงไม่พ้นหนังสือกิจการของอัครทูตภาพของกิจการเป็นภาพแห่งการรับใช้ที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นภาพที่เราได้เห็นว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วสาวกทำอะไรต่อไปล่ะ เขาลาทิ้งพระมหาบัญชาของพระองค์แล้วก็หันกลับไปดำเนินชีวิตปกติหรือเปล่าหันกลับไปจับปลาหันกลับไปเป็นคนเก็บภาษีหรือกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือไม่ใช่ถ้าจบอยู่แค่นั้นภาพอภิภิ k o n มีเพียงแค่พระกิติคุณสีเล่มแล้วก็จบเราคงจะไม่มีภาพของพระธรรมกิจการโรม หรือแม้กระทั่งจดหมายฝากต่างๆของอาจารย์เปาโลนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่ทำให้คิตชนได้มีความคิดและรู้ว่าชีวิตแห่งความเชื่อเราจาเป็นต้องรับใช้และในกิจการบทที่11ข้อ19ถึง30นะคะเป็นภาพของคิตสัจที่เป็นเหมือนโมเดลเป็นคิตสัรแห่งการรับใช้จริงๆ เป็นคิจักที่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรและนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายหัวใจของเราทุกคนนะคะดิฉันจะขออนุญาตที่จะอ่านให้ทุกท่านได้ฟังด้วยกันคอยเราสงบใจฟังพระวจนะคำที่จะมาถึงเราในบ่ายวันนี้ด้วยกันนะคะฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเขี้ยวเข็นเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอกและได้กล่าวพระวจนะแก่ยิวพวกเดียว แต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นเป็นชาวเกาะไซปลัสกับชาวไซลีนเมื่อมายังเมืองอันทิโอกก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าแก่พวกกรีกด้วยและพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้ก็เล่าลือไปยังคิดจักในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้บารานาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอคเมื่อบารานาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปริติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบาลาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจํานวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าบาลาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัตเมื่อพบแล้วจึงพามายัางเมืองอันทิโอคท่านทั้งสองได้ประชุมกันกันกบขิตจักตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนคนเป็นอันมาก และในเมืองอันทิโอคนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกคราวนั้นมีพวกผู้เผยพระวจนะลงมาจากกรุงเยรูซาเลม็มจะไปยังเมืองอันทิโอคฝ่ายผู้หนึ่งในจำนวนนั้นชื่ออากบัสได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะบังเกิดการกันดาลอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลกการกันดารอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจั ก, กรพรรดิคารดิอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่า จะเรียไรกันตามกําลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเขาจึงได้ทําดังนั้นและฝากไปกับบรารบัสและซาโลเพื่อ น, นําไปให้พวกผู้ปกครองนี่เป็นเรื่องราวของจุดกําเนิดของคริสจักรแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองอันทิโอนะคะก่อนหน้านี้มีคริสจักรเกิดขึ้นแล้วนั่นคือคิสจักรที่เยรูซาเล็มคริสจักรที่นั่นอย่างที่เรารู้กันว่า เป็นคิสจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่พวกยิวนะคะคิสจักรเยรูซาเล็มเป็นคิสจักรที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรองรับคิตรชนที่เป็นชาวยิวเท่านั้นแต่เมื่อเกิดการรวมตัวกันขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของการถูกข่มเหงนะคะการถูกข่มเหงในยุคสมัยนั้นไม่ใช่แค่มาประชดประชันเสียดสีไม่ใช่นะคะแต่เป็นเรื่องของหมายเอาชีวิตเลย เราจะได้พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้ได้เอ่ยถึงในตอนต้นก็คือสเตเฟนเรารู้เรื่องราวสเตเฟนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเขาเป็นคนที่รักและยึดมั่นในพระเยซูคริสต์จนถึงขั้นโดนข่มเหงและถึงแก่ชีวิตเขาเสียชีวิตด้วยการถูกเอาหินคว้างนะคะและเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะคนที่เชื่อในพระเจ้า เขาอาจจะต้องรู้สึกหวาดกลัวเนาะแล้วก็หนีกระจัดกระจายไปแล้วไปหลบซ่อนตามที่ต่างๆแต่ในพระัมภีไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะคะเมื่อสเตเฟนได้ถึงแก่ชีวิตก็คือโดนเขี้ยวเข็นจนตายนั่นเองนะคะคนมากมายกับกระจัดกระจายไปแต่เขาไม่ได้กระจัดกระจายไปด้วยความกลัวเขากระจัดกระจายหรือนีไปพร้อมกับข่าวประเสริฐ นี่เป็นภาพที่สวยงามของพระธรรมกิจการที่เราได้เห็นว่าสาวกที่ตามองค์พระเยซูคริสต์นั้นไม่มีอะไรทำให้เขากลัวเขามั่นใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเขาเขามั่นใจในตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์นี้แหละที่เป็นพระเมสสิยาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความกลัวอาจจะทาให้เขาต้องมีการโยกย้ายสถานที่แต่สิ่งที่เขาใส่เป้และติดตัวไปเสมอนั่นคือเรื่องของข่าวประเสริฐ และในเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้พวกเขาต้องหนีไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปัสนะคะเมืองแอนติกด้วยเขาไปถึงแล้วเขาไปทำไมคะไปกล่าวพระวจะนะแก่พวกยิวเริ่มต้นก็คือกล่าวแก่ยิวพวกเดียวก่อนเพราะเขารู้สึกเขาคุ้นเคยคนยิวก่บคนยิวคุยกันน่าจะเป็นภาษาเดียวกันนะคะคลิกกันนั่นเองเขาก็ไปประกาศกับคนยิวที่อยู่ต่างต่างชาติแบบนี้นะคะว่าให้กลับใจใหม่ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั้นยังคงต้องยึดมั่นในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์คือออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์เขาหนีการข่มเหงแต่เขาก็ยังรักการประกาศไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาเอาข่าวประเสริฐไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขาเองไปอย่างมีความหมาย นะคะในข้อ20บอ ก, กเราว่าแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซลีนเมื่อมายังเมืองอันทิโอกก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าแก่พวกกรีกด้วยกลุ่มแรกไปแล้วประกาศกับพวกยิวทําให้คนยิวได้กลับมาได้รู้ว่าพระเมสสิยาที่เขารอคอยนั้นเสด็จมาแล้ว ะะแต่ก็มีคนบางคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปทําเหมือนกันคือประกาศแต่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกกลีกพวกกลีกนะคะหรือเรียกว่าพวกเฮเลนิสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนต่างชาตินะคะคนยิวจะมีทัศนคติอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นสูงเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ คนอื่นๆคนชาติอื่นนะคะถือว่าเป็นคนอีกระดับหนึ่งแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐไม่ได้ถูกจำกัดอันติโอกต้องเรียกว่าเป็นเมืองแรกเลยนะคะที่มีคนยิวและคนต่างชาติมานมัสการพระเจ้าร่วมกันคนบางคนที่พระอภิษได้ระบุถึงเนี่ยโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อพวกเขาเป็นคนที่ได้กล้าหาญและก้าวข้ามผ่าน กรอบบางอย่างที่เกิดขึ้นในมุมมองความคิดของคนยิวคือเขารู้สึกว่าข่าวประเสริฐเป็นของชนทุกชาติทุกภาษาและนี่เป็นเหตุที่ทำให้เขามีใจกล้าในการที่จะเอาข่าวประเสริฐเนียไปบอกกับพวกกรีกและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าข่าวประเสริฐของพระองค์ก็แท่ไปนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่นี่เป็นภาพอย่างหนึ่งว่าคิดสจัจ เรามีเอกภาพบนความแตกต่างนะคะคนเหล่านี้ได้ไปบอกเรื่องราวข่าวประเสริฐให้กับคนที่เราเรียกว่าคนต่างชาติถ้าถามว่าพอถึงในยุคเราพวกเราเนี่แหละคือคนต่างชาติเราไม่ได้เป็นยิวในสายเลือดแต่เราเป็นยิวในวิญญาณใช่ไคะเราเป็นยิวแท้ในวิญญาณถ้าวันนั้นไม่มีคนกลุ่มนี้ที่จะกล้าประกาศกับคนต่างชาติ ค่าวประเสริ์อาจจะไม่ถึงเราก็ได้นะคะเราดีใจที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นในคิสจักรก็เหมือนกันค่ะเรามีการยอมรับซึ่งกันและกันเราไม่ได้ยอมรับคนที่เก่งหรือคนที่ดีหรือคนที่มีเกียรติเท่านั้นแต่เราจะยอมรับคนที่เขามีพระคริสต์ในชีวิตและเราจะรักคนที่เขากำลังแสวงหาพระคริสต์ในชีวิตด้วยเอเมนไหมคะ ในขิสจักรจะต้องมีความหลากหลายและมีความแตกต่างและนี่เป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาเองรู้ว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าให้ออกไปสมาเลียยูเดียไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเนี่ยเป็นการก้าวข้ามผ่านมุมมองที่จะยึดติดแค่ว่าต้องเป็นยิวเท่านั้นอันนี้เลยทำให้พวกเขาเองได้ประกาศกับคนที่เรียกว่าคนต่างชาติ เราจะรักใครสักคนนะคะคงไม่ได้รักเขาแค่ความ เ, เปลือกนอกหรืออะไรเท่านั้นนะคะเมื่อเรามาคิดจักเรารับเขาได้และเราก็รักเขาได้บางทีเรามาคิดจักเรายังไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะว่าคนที่นั่งใกล้ๆเราเนี่ยเขาชื่ออะไรใช่ไหมคะคนนี้ทํางานอะไรคนนี้มีครอบครัวหรือเปล่าหรือคนนี้เขา มีปัญหาอะไรมาแต่เมื่อเข้ามาเราเรียกเขาว่าเป็นพี่น้องกันนะคะนี่ทําให้เราได้เห็นว่าคิสจั ก, กของพระองค์ก็เติบโตขึ้นและในพัมพียังได้บอกกับเราว่าและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้านะคะเมื่อภาพของคน ที่รวมตัวกันปฏนิบัติพระเจ้าพรมพีในข้อที่21สิบเอ็ดย้ำกับเราว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขานี่เป็นการอวยพรที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าได้ทรงใช้คิดจักถ้าคิดจักใดไม่รับใช้เขาจะอยู่อย่างนั้นนะคะอยู่เหมือนน้ำที่ขังอยู่เฉยเยน้ำที่ขังอยู่เฉยเฉยมันจะมีแต่วันที่ เน่าไปเรื่อยๆ เ, เ, เพราะไม่มีการไหลถ่ายเทออกไปแต่ถ้าตราบใดคีิสัจรเริ่มลุกขึ้นมารับใช้แล้วกล้ายืนอยู่บนความแตกต่างที่เขาเองไม่ได้ถูกจํากัดด้วยกรอบหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าจะอวยพรพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาจากเมื่อกี้ที่ข้อที่ยี่สิบที่บอกว่าคนบางคนออกไปประกาศแต่พอมาข้อที่ยี่สิบเอ็ดราพบคาว่า คนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนปริมาณจากแค่คนบางคนเป็นคนเป็นอันมากและนี่เป็นพระคุณพระเจ้าเราอยากเห็นคริสตจักรในเมืองไทยเติบโตขึ้นเราอยากเห็นการขยายของคริสตจักรที่มากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของปริมาณหรือจำนวนเราอยากจะเห็นคริสตจักรที่เติบโตขึ้นด้วยคุณภาพนะคะ ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเป็นคิตจักรที่รับใช้เป็นคิตสัจที่รวมพลังกันนะคะปณิบัติพระเจ้าและพระหัตของพระองค์จะอยู่ที่นั่นภาพของคิตจัจอันธิโอคเป็นเสมือนโมเดลที่ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าเมื่อคิตจัจใดก็แล้วแต่ที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยหัวใจแห่งการรับใช้ด้วยความรักที่อยากจะปณิบัติพระเจ้า พุ่งไม่เคยทอดทิ้งเลยเราจะไม่เคยได้ยินเลยว่าคริดจักรใดก็แล้วแต่ที่ทำภานกิจของพระเจ้าปณิบัตริรับใช้พระเจ้านะคะจะต้องปิดตัวไปเพราะอะไรเพราะขาดเงินไม่เคยได้ยินแต่กลับเพิ่มพูนขึ้นจนคริดจกักรรองรับไม่ไหวและต้องขยายตัวออกไปออกไปเป็นคิดจักรลูกออกไปเป็นคิดจักรอีกร้ายต่อหลายแห่งเพื่อที่จะรองรับคนที่กําลังเดินเข้ามา ในช่วงเวลานี้เช่นกันดิฉันเชื่อว่าเราออกไปสู่สังคมที่มีคนที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีทั้งคำถามมีทั้งความสงสัยมีทั้งความสิ้นหวังมีทั้งความโศกเศร้าเสียใจเราวิงวอนขอต่อพระเจ้าเหมือนอย่างที่เพลงที่เราร้องตอนนมัสการนี่คือคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่คือคำอ้อนวอนจากหัวใจ ใช่นี่คือหน้าที่ของคิชชนไทยนี่คือหน้าที่ของคริสเตียนแต่คำถามต่อไปคือแล้วใครจะไปบอกเขาใครจะไปบอกเขาว่าพระเยซูคริสต์เป็นความหวังก็ต้องเราเพคะก็ต้องเป็นพวกเราที่เชื่อในพระเจ้าหลายครั้งที่ดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่มักจะที่ฐานว่าวันนี้เนี่ยขอให้ดิฉันได้พบกับคนคนไหนก็ได้ ที่พระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกเขาให้เราได้มีโอกาสคุยกับเขาได้เจอกับเขาได้ประกาศกับเขาเขาเชื่อหรือเปล่าอันนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ดิฉันจะทำคือเราจะหวานพระกิตติคุณลงไปในหัวใจเขาขพรา้เราเจอคนคนนั้นเคยคิดไหมคะวันวันหนึ่งที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเจอผู้คนมากมายเราอาจจะเจอเขาแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ และถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะบอกข่าวประเสริฐกับเขาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายขอพระเจ้าเมตตานะคะที่เราเองจะมีใจกล้าในการที่จะรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอพระเจ้าใช้เราทุกๆวันลองเริ่มต้นในการที่ฐานขอพระเจ้าใช้สิคะแล้วเราจะได้เห็นเลยว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นบางคนถามว่า คนอย่างฉันเนี่ยเหรอที่พระเจ้าจะใช้คนที่พูดไม่เก่งอย่างฉันเนี่ยเหรอที่จะกล้าพูดเรื่องของข่าวประเสริฐอย่าลืมนะคะในพัมพีบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราปากนี้ก็เป็นปากของพระองค์และพระองค์จะประทานถ้อยคาให้กับเราถ้าเราไม่กล้าเปิดปากพระเจ้าก็ไม่รู้จะทำงานยังไงของพระองค์แต่เมื่อเรายอมให้พระเจ้าใช้ภาชนะที่สะอาดมันจะรองรับ น้ำหรือพระพรที่สะอาดและสามารถไหลล้นออกไปได้นะคะขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีหัวใจที่จะรับใช้ต่อไปนะคะประการต่อมาค่ะในข้อที่ยี่สิบอกว่าข่าวนี้ก็เล่าลือไปอยังคิจจ์ในกรุงเยรูซาเลม็มเขาจึงใช้บารณนมบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอกคิดภาพนะคะว่าพอคนเริ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น คิดจากเมืองอันทิโอกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องมีคนเข้าไปดูแลต้องมีคนเข้าไปดูแลครัค น, นี้คิดจากแม่อย่างเยรูซาเล็มจะส่งใครไปละ่ะเปโตรก็ไปอยู่ที่สมาเลียนะคะแล้วก็อัครทูตอีกหลายหายคนก็ยังคงจะต้องกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อรับใช้เรามองอ่านตรงนี้เราคิดว่าโอ้โหบาลนาบัสมือรอง คิจักรเยรูซาเล็มส่งบารานาบัสที่เป็นมือรองไปช่วยอันทิโอกเกลหรอทั้งนั้ที่อันทิโอเป็นคิดจักรที่น่าจับตามองมากเติบโตเร็วยืนอยู่บนความหลากหลายและแถมว่าเป็นคิดจักรที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจของคนที่กําลังหนีแต่เขามีใจรักในการปฏิบัติรับใช้ถ้ามองแล้วโหน่าสนใจมากแต่ทําไมเยรูซาเล็มถึงกล้าส่งบารานาบัสไปดูแล คำตอบง่ายๆค่ะเพราะว่าบาลานบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อการวางลากฐานของคริสตจักรนะคะจะต้องอาศัยผู้นำที่มีคุณภาพในฝ่ายวิญญาณด้วยเสมออันนี้สำคัญบาลานบัสเป็นคนที่พระพีรับรองชีวิตเขานะคะมีชีวิตที่ดีมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีความเข้าใจมีวิสัยทัศน์มองเกมขาดนะคะและเขาไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยกรอบเดิมๆอย่างที่คิดจักรเยรูซาเล็มก็คือประกาศแค่คนยิวนะคะเขามองเห็นศักยภาพในชีวิตของใครคนหนึ่งที่เดี๋ยวกําลังจะปรากฏต่อไปนี้แต่เรากําลังดูชีวิตของบารานบาบัสว่าเมื่อคิดจักรเยรูซาเล็มส่งบรารนบาบัสเข้าไปดูแลคิดจักรอันทิโอคแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อที่ยี่สิบสามบอกว่าเขาได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีนี่คือคนที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณจริงจริงไม่ได้ไปถึงอ้าไหนเอาตัวเลขมาโชว์หน่อยว่าคิดจักตอนนี้มีกี่คนแล้วมีผู้ชายเท่าไหร่มีผู้หญิงเท่าไหร่ไหนมีคนร่ำรวยเท่าไหร่มีคนยากจนเท่าไหร่มีคนต่างชาติเท่าไหร่ไม่ใช่ เมื่อบาราบาสไปถึงมั่นพีระบุว่าเขาเห็นพระคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นในคิจักอันทิโอคนี่คือมุมมองของผู้นำที่มีจิตวิญญาณสูงเขาไม่ได้มองเห็นการงานของมนุษย์ที่ได้ทาแต่เขาเห็นพระคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ปิติยินดีโอโหคำนี้นะคะไม่ใช่มาเห็นแล้วก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ หายไปไม่ใช่นะคะเขาเห็นแล้วเขายินดียินดีในการงานของพระเจ้าที่ได้เกิดขึ้นนะที่นั่นและเมื่อเขาได้ปิติยินดีแล้วสิ่งที่เขาทำเขาก็เริ่มต้นในการที่จะดูแลปฏิบัติเลยก็คือเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคิดจักใหม่ๆคนที่เชื่อใหม่ๆส่วนใหญ่ก็คือร้อนรนใช่ไหมคะแต่ความร้อนรนตรงนี้ จะยั่งยืนและอยู่นานได้ก็ต่อเมื่อความร้อนลอนตรงนี้เขาฝังรากลึกลงไปในพระวจนะคำของพระเจ้าถ้าเราได้มีโอกาสเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่นะคะหรือคนที่มาเชื่อในพระเจ้าอย่าให้เขาติดเราแต่เขาติดพระเจ้าอย่าให้เขาติดถ้อยคำของเราแต่เขาติดถ้อยคำของพระเจ้าและนั่นแหละเราจะรู้ว่า เขาจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนะคะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบารานาบัสมองเกมขาดเขารู้ว่าอันติโอเออคิดจากอันติโอคต้องการอะไรนะคะชีวิตของบารานาบัสเป็นชีวิตที่เรียกว่าเราได้เ ร, ไดเราได้รู้จักชื่อเขาอีกชื่อนึงก็คือเขาเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจจริงๆแล้วบารานาบัสชื่อเดิมเขาชื่อโยเซฟนะคะ แล้วก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบาลานาบัสก็คือแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจชีวิตของผู้ชายคนนี้ตลอดพระธรรมที่ได้เห็นเนี่ยเขามีของประทานในการที่หนุนใจคนอื่นหรือเรียกว่าเป็นซับพอร์เตอร์เป็นโค้ชที่ดีมากๆเลยของชีวิตของใครหลายๆคนและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพของขิศจากแห่งการรับใช้ที่เราจำเป็นต้องมีบาลานาบัสเยอะๆเราต้องมีบาลานาบัสมากๆ เราจะออกไปรับใช้ต้องมีคนคอยสนับสนุนเราขอพระเจ้าอวยพร น, นะอธิษฐานเผื่อเรานะไม่ใช่คอยที่จะขวางเราหรือคอยที่ทำลายน้ำใจหรือทำลายความเชื่อมั่นในชีวิตเราคิดจากที่จะก้าวออกไปรับใช้แล้วเติบโตต้องมีบาลาบัสเยอะๆแต่บาลาบัสไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวนะคะเขาทำด้วยนะ ไมอเอออยากเป็นบาลานาบัสจะได้เชียร์อย่างเดียวเป็นกองเชียร์เป็นกองหลังอย่างเดียวก็ไม่ใช่บาลานาบัสเล่นบทบาทกองหน้าด้วยนะคะเขาก็ออกไปลุยออกไปทำหลายๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกอย่างหนึ่งว่าชีวิตของบารานาบัสมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเขามองศักยภาพในชีวิตของคนออกนะคะเมื่อเขาไปถึง เขาได้เห็นภาพของคิจัจกอันทิโอคที่กำลังเติบโตขึ้นเขาเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหการเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยเขารับมือคนเดียวคงไม่ไหวอย่างนั้นต้องมีผู้ช่วยละและน่าแปลกมากว่าในที่สุดพระพีระบุว่าบรารณนาบัสเลือกซาโลซาโลคนนี้เป็นใครคะซาโลคนนี้เป็นฟาริสีฮาร์ดคอร์นะ โอ้โหเจอคริสเตียนที่ไหนถล่มยับเลยใช่ไหมคะเราได้เห็นว่าชีวิตของซาโลคนนี้ที่พระเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเขาเนี่ยเขาเป็นนักข่มเหงคริสเตียนตัวยงเลยทีเดียวและเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นด้วยและรวมถึงสะใจด้วยเมื่อสเตเฟนโดนหินคว้างน่าแปลกทำไมบรบานาบัสถึงกล้าเลือกซาโลคนนี้จะมาเป็นผู้ช่วย เราคงเดาได้ถ้าซาโลมาโหคริสเตียนแตกกระจายเลยนะคะใครจะไปกล้าอยู่ใช่ไหมก็อาจจะโดนข่มเหงแต่บารานาบัสเขามองชีวิตของผู้ชายคนนี้เราไม่รู้ว่าทําไมบารานาบัสถึงกล้าเลือกซาโลเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้มีระบุไว้แต่เขาเลือกซาโลอาจจะด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งซาโลเป็นยิวแท้เป็นคนยิวแท้แน่นอนการประกาศกับคนยิวเขาจะฟังเงินก็ต่อเมื่อ เป็นยิวแท้เห็ไหมคะซาโลมีคุณสมบัติข้อนี้ข้อสองเป็นฟาริสีที่เก่งด้วยซาโลอย่างที่บอกนะคะเป็นฟาริสีฮาร์ดคอร์นะทำบัญญัติอะไรรู้หมดถ้าเราอ่านในจดหมายฝาเราจะเห็นเลยว่าเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นฟาริสีที่แบบเพอร์เฟกนะคะใครจะมาบอกเขาว่าเขาเป็นฟาริสีที่มีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่เลยชีวิตของซาโลเป็นฟาริสีที่เพอร์เฟคมาก อะไรที่เป็นบทบัญญตัติเป็นธรรมบัญญตัติเขาทำมาหมดแล้วเกิดมาได้แปดวันเข้าสุนัตก็สุนัตแล้วนะเรียนในสำนักพมพีที่เป็นฟาริสีก็เป็นมาแล้วแถมพ่วงท้ายด้วยดีกรีในการข่มเหงคริสตจักรด้วยซ้ำสุดยอดเพอร์เฟคมากรีปการหนึ่งที่ซซโลน่าจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการมาช่วยบาลาบัสด้วยก็คือโซโลมีสัญชาติโรมันนะคะ คิจักอันทิโอกเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองอันทิโอกที่อยู่ในเขตของเมืองไซรีนเมืองไซลินเป็นหนึ่งในจักรวรรดิโรมันนะคะเป็นหนึ่งในสามเมืองที่ถูกระบุในลองไปหาดูในวิกิพีเดียได้เลยนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามมากเป็นเมืองที่มีโลเคชันที่ดีมีทำเลที่สวยมาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งแต่ในทางเดียวกันก็คือเป็นเมืองที่ต่ํารามมาก มีโสเพณีในการที่จะถวายบูชาในพระวิหารต่างๆเป็นเมืองที่ตกต่ำในด้านคุณธรรมมากๆแต่เมื่ออยู่ในจั ก, กรวรรดิของโรมเซาโลผู้มีสัญชาติโรมันนี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเลยการเข้าออกแทบจะไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะคะเข้าไปได้ทุกที่และนี่อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาเองได้รับเลือกจากบารนาบัสลีปประการหนึ่งก็คือ ซาโลเป็นคนที่มีศักยาภาพวันที่บารนาบัสเลือกเขาในพัมพียังเรียกเขาว่าซาโลอยู่เลยแสดงว่าเขาเองยังไม่ได้ออกลวดลายสักเท่าไหร่แต่ความมีศักยาภาพของเขาจะถูกปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีคนให้โอกาสและบารนาบัสเป็นคนนั้นที่ให้โอกาสซาโลนะคะและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนอย่างบารนาบัสลูกแห่งการหนุนน้าใจเนี่ย เขาสามารถที่จะดึงศักยภาพของคนอย่างซาวโลขึ้นมาแล้วเราพบว่าเขาเลือกไม่ผิดพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้บาลา บ, บัสเลือกซาวโลมาเป็นผู้ช่วยและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแห่งการรับใช้ของอาจารย์เปาโลกว่าครึ่งค้อนเล่มของพระคัมภีร์ใหม่เป็นหนังสือเป็นจดหมายฝากที่คนคนนี้ล่ะค่ะได้บันทึกไว้เราได้เห็นว่าตลอดช่วงชีวิตของเขา เขาไม่เคยลืมการทรงเรียกในชีวิตของเขาเลยอาจารย์เปาโลไปที่ไหนเขาจะเป็นปเขาจะประกาศและเป็นพยานเสมอว่าเขามาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงคนอย่างเขาที่เป็นตัวเอในการที่เป็นคนบาปเขากลับใจได้ยังไงแล้วพลังในการเป็นพยานของเขาเนี่แหละที่ช่วยให้คนมากมายกลับใจมาเชื่อพระเจ้านี่เป็นผลงานอย่างหนึ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าสาหรับชีวิตของบารนาบัสด้วยนะคะ การวางรากฐานของคิจักที่จะรับใช้จำเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีคุณภาพฝ่ายวิญญาณนี่เป็นประการหนึ่งที่สำคัญนะคะต่อมาค่ะในข้อที่26เมื่อพบแล้วจึงพามายังเมืองอันทิโหกมายังเมืองอันทิโอท่านทั้งสองได้ประชุมกันกันกบคิจักตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนคนเป็นอันมากนะคะและในเมืองอันทิโอนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก เรารู้ที่มาที่ไปของเราหรือยังคะเรามีต้นกําเนิดจากไหนนะคะเราเป็นคริสเตียนได้อย่างไรนะคะคิดจักที่จะรับใช้พระเจ้าต้องเป็นคิดจักที่ติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงนะคะคริสเตียนเนี่ยก่อนหน้านี้พวกสาวกของพระเยซูคริสต์หรือคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์มักจะถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆเช่นพวกที่ถือทางนั้นนะคะหรือพวกนาซาลีน นะคะนัสลีนก็คือพระเยซูคริสเป็นชาวนาซาเลตใครที่ติดตามพระเยซูก็จะถูกเรียกว่าชาวนาสลีนนะคะหรือพวกที่ตามพระคริสต์แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะในพัมภีรที่ถูกระบุว่ามีชื่อปรากฏที่เรียกว่าคริสเตียนนะคะการที่ลงไายด้วยเอียนนะคะ i a n เอีย e นนะคะแปลว่าพวกของอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นคริสเตียนแปลว่าอะไรคะพวกของพระคริสต์ นะคะหรือผู้ติดตามพระคิดหรือ Christ follower นี่เป็นคำที่ถูกเรียกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคิคริสเตียนนะคะแล้วคำว่าคริสเตียนมีปรากฏแค่สมครั้งในพระคัมภีร์นะคะครั้งที่สองอยู่ในกิจการบทที่26ข้อที่28และครั้งสุดท้ายนะคะถูกเรียกว่าคริสตชนหรือคริสเตียนเนี่ยในหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อส6บ คำคำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความรักหรือความเชิดชูหรือความชื่นชมลยใดทั้งสิ้นนะคะคริสเตียนถูกเรียกหรือถูกกำหนดคาคานี้ขึ้นเป็นคําที่ย่ะเย้ยถักถานแล้วก็ล้อเลียนว่าอเอ้ยไอ้พวกนี้เป็นคริสเตียนคริสเตียนมาแล้วพวกผู้ติดตามพระเยซูคริสต์มาแล้วเป็นคําที่ล้อเลียนแต่เราต้องบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าเราภูมิใจ ที่เราติดตามพระเยซูคริสต์นะคะเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนคริสเตียนเป็นเหมือนโลโก้ในชีวิตของเรานะคะอย่าให้คริสเตียนเป็นแค่โลโก้ที่ติดอยู่ท้ายรถรถใครอะรถคริสเตียนมีละไมีปลาแต่ขับโอ้โหสุดยอดเลยขับปาดซ้ายปาดขวาอยากจะไปแกะปลาออกเลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะว่าพระเยซูคริสต์ที่เราตามเนาะ ขอพระเจ้าเมตตาคริสเตียนต้องเป็นโลโก้ในชีวิตเราไม่ได้เป็นแค่ชื่อไม่ได้เป็นแค่คำที่ปรากฏแค่ในบัตรประชาชนแต่จะต้องเป็นชีวิตที่เขาเห็นว่าอ๋อเป็นคริสเตียนนิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทางานด้วยกันที่บริษัทก่อนที่จะมารับใช้พระเจ้าคบกันตั้งนานค่ะไม่เคยรู้เลยว่าเป็นคริสเตียนจนวันหนึ่งเขาได้เห็นชีวิตของเราที่ กล้าที่จะสำแดงตัวว่าเป็นคริสเตียนเขาถึงบอกว่าอา้าวเธอเป็นคริสเตียนเหรอดิฉันบอกใช่ดิฉันเป็นคริสเตียนพอาอา้าวเขาก็นับถือคริสเหมือนกันเขาจะพูดคํานี้เขาก็นับถือคริสเหมือนกันเราเอา้าวเหรอไม่เห็นรู้เลยนะคะบางครั้งเราพอเรามีโลโก้ปุ๊บเราแอบเก็บไว้ข้างหลังเพราะเราอายโลโก้เราไม่ดังเนาะแบรนด์เราไม่ค่อยดีเรารู้สึกเราอับอาย เหมือนกันคะ่ะเวลาเราใส่เสื้อผ้าถ้าเรามีเราใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์เนมเป็นไงคะโอ้โหอยากซื้อเสื้อที่เป็นรุ่นที่เขียนแบรนด์เนมตัวนั้นใหญ่ๆนะคะอยากให้เขาเห็นว่าเราใส่แบรนด์เนมเราอยากจะให้เขาเห็นว่าเราใส่โลโก้ที่แบบโอ้โหตัวเนี้ยสุดยอดแล้วแต่ถ้าเราลองไปซื้อจากตลาดนัดเป็นไงคะบางทีเราแอบตัดโลโก้ทิ้งก่อนเลยนะเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราใส่เสื้อยี่ห้ออะไรข้าพเจ้าเมตตาเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะคะ ขอให้เรากล้าที่จะสัมดงโลโก้ในชีวิตของเราก็คือความเป็นคริสเตียนนี่แหละนะคะเราต้องสัมเดงชีวิตที่ชัดเจนการกลับใจใหม่การละทิ้งจากความบาป ก, การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางคนบอกว่ายากจังเลยอาจารย์แต่จะบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงแต่พระองค์ทอดพระเนตรชีวิตของเราที่จริงใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลง เราจะไม่มีวันที่จะทำอะไรได้จนเพอร์เฟจนกว่าวันที่พระเยซูขึ้นจะเสด็จกลับมาแต่ถ้าเราเริ่มที่จะมีหัวใจแห่งการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและขอพระเจ้าช่วยเราเนี่ยและค่ะก็ทำให้พระองค์ทรงยิ้มกับชีวิตเราได้มีคนบอกว่าคนจะเลิกบุหรี่หรือเลิกเหล้าได้เนี่ยมันไม่ได้ยากตลอดเส้นทางมันอาจจะไม่ได้ยากมันยากที่สุดตอนตัดสินใจเริ่มที่อยากจะเลิกนี่แหละ ะะเพราะฉะนั้นการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าชีวิตการติดตามพระเยซูคริสต์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นเพียงคําแค่ย่ะเย้ยหรือถากถางแต่เราจะเป็นคริสเตียนที่มีความภาคภูมิใจเหมือนอย่างคริสเตียนที่เป็นชาวเมืองอันทิโอกและนี่เป็นเหตุที่ทําให้ คริสเตียนเมืองนี้ค่ะกระจัดกระจายออกไปแล้วไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเพราะเขาเอาโลโก้ที่เขาภูมิใจเนี้ยไปด้วยเสมอและประกาศสุดท้ายนะคะคิสจักรที่รับใช้จะต้องมีหัวใจที่จะทำพันรกิจด้วยนะคะเราจะพบในข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงข้อที่สามสิบคิจักรอันทิโอคดูเหมือนว่าที่เราอ่านเนี้ย มัอนอาจจะตั้งได้ไม่ไม่นานสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต่อมาก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้พวกเขาได้สำแดงความรักนั่นคือเมื่ออากบัสนะคะเป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งได้บอกว่าจะเกิดการกันดานอาหารคิดจักที่เข้มแข็งผู้เชื่อที่เข้มแข็งในคิดจักนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวที่เกิดความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเขาจะไม่รอช้าเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มเรียร์ไร นะคะทรัพย์สินต่างๆแล้วก็เอาไปช่วยพี่น้องช่วยพี่น้องที่ไหนพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเห็นภาพใช่ไหมคะจากยูเดียจากเยรูซาเล็มออกมาแล้ววันหนึ่งคนที่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกลับว่าต้องไปช่วยคนที่เป็นต้นกาเนิดหรือเป็นคริสตจักรแม่ด้วยซ้ำนี่เป็นภาพที่งดงามมากคิดจากแห่งการรับใช้จะต้องมีหัวใจในการทำภารกิจอย่าคิดแต่ว่าเอ้ยฉัน เป็นคิดจักเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นฉันเป็นผู้เชื่อใหม่ที่ยังเชื่อได้ไม่นานฉันยังไม่มีกำลังจะช่วยใครได้หรอกโปรดอย่าคิดเช่นนั้นถ้าพระเจ้าให้โอกาสเราในการรับใช้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนมันแปลว่าพระเจ้าทรงเห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพที่จะรับใช้ได้อย่าบอกโอ้ฉันอายุมากแล้วฉันจะไปรับใช้อะไรได้นะคะ เราลองคิดภาพตัวเราอีกสัก10 20ปีเราจะเป็นคนแบบไหนคะเราจะเป็นผู้อาวุโสที่มาโบสนั่งที่เดิมๆร้องเพลงแล้วพอเลิกก็กลับบ้านหรือเราอยากจะเป็นผู้อาวุโสที่มีลูกหลานเข้ามาให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อหรือเราจะมีโอกาสหนุนน้ําใจเขาออกไปรับใช้กับเขาเราอยากจะเป็นแบบไหน คิดจักรที่รับใช้จะต้องมีหัวใจในการทำพันธกิจและเรารู้มาว่าคิดจักรอันทิโอคเนี่ยนะคะในต่อมาเนี่ยอาจารย์เปาโลได้ใช้คิดจักรอันธิโอคเป็นเซนเตอร์ในการรับใช้ของท่านด้วยเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลท่านเป็นมิชชันนารีเดินทางออกไปทั่วโลกนะคะท่านไปบุกเบิกที่ใหม่ๆและนั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลให้คิดจักรอันธิโอคเป็น เซ็นเตอร์ในการซัพพอร์ตท่านสนับสนุนท่านในงานรับใช้เราฟังแล้วเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าคิดจักเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี่เหรอคิดจักที่เต็มไปด้วยคนต่างชาติเนี่ยเหรอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในภานกิจโลกคําตอบคือใช่และนี่เป็นแบบอย่างเป็นโมเดลที่เราน่าจะได้มีโอกาสทบทวนแล้วก็ไข้ครวรกับชีวิตเราณนะวันนี้ อาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าคิดจักเป็นเรื่องของคณะธรรมกิจเป็นเรื่องของสิธยาพิบาลเป็นเรื่องของทีมผู้รับใช้เราเป็นแค่สมาชิกเราคงขยับอะไรไม่ได้เราคงทำอะไรไม่ได้นี่เป็นความคิดที่ไม่ใช่นะคะอยากให้รู้ว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงเลือกและทรงเรียกเราให้อยู่ในคิดจักแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นคือบ้านของเรานั่นคือครอบครัวของเรา ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะอยู่บ้านแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นทำหน้าที่ไปและตัวฉันก็ขอแค่อยู่ในบ้านสบายสบายไม่ใช่เมื่อเรามาคิสจักรนะคะให้มาแค่เป็นแขกเนี่ยครั้งแรกนอกนั้นเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านร่วมกันแล้วนะคะนะอย่ามาเป็นแขกทุกๆครั้งเพราะนั่นก็คือเราก็จะไม่มีความผูกพันอะไรด้วยกันในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์อาจารย์ลิวอรเลนได้บอกว่า คริสเตียนจำเป็นจะต้องมีคริดสัจจ์ที่ตัเองเข้ามานมัสการและผูกพันชีวิตเป็นประจําถ้าไปนั่นทีไปนี่ทีไปโน่นทีเขาเรียกว่าคิดจักรกระตายเออคริสเตียนกระตายคือโดดไปนั่นทีไปนี่ทีไปโน่นทีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนุกไหมสนุกบรรยากาศใหม่ไหมบรรยากาศใหม่แต่สิ่งที่จะไม่ได้เลยก็คือการลงลึกในชีวิตกับใครหรือความสัมพันธ์กับใครเราจะไม่มีเลย นะคะขอพระเจ้าเมตตาเมื่อพระเจ้าได้ทรงเลือกและทรงเลือกเราทั้งหลายอยู่ในคิดจักรขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายที่เราจะร่วมกันรับใช้เป็นคิดจักรแห่งการรับใช้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้บอกมาเถอะเรายินดีที่จะทำอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังที่จะเห็นคิดจักรของพระองค์ลุกขึ้นมาแล้วปฏิบัติรับใช้จริงอยู่ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกล่าวว่า ความตายจะไม่มีชัยชนะเหนือคิสจักรนี่เป็นความจริงและนี่เป็นพระสัญญาของพระองค์แต่อย่าปล่อยให้คิสจักรยืนต้นตายเคยเห็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายไหมคะมันไม่ล้มนะคะมันยืนต้นอยู่แต่มันไม่เติบโตอีกแล้วมันยืนตายแห้งอยู่อย่างนั้นน่าเสียดายคิสจักรไทยหลายแห่งเป็นแบบนั้นกําลังยืนต้นตายไม่ได้ล้มลง เพราะเขาบอกแล้วว่าพระเยซูคริสสัญญาแล้วว่าความตายไม่มีชัยชนะเหนือคิดจักรแต่เขายอมที่จะยืนยืนต้นตายอยู่างนั้นขอพระเจ้าเมตตาคิดจักรแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับพี่น้องสมาชิกคิดชนทุกท่านและเหนือสื่ออื่นใดเราอยากได้หัวใจของการรับใช้จากทุกท่านด้วยเช่นกันเรามาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันออกไปที่ไหนก็ได้ค่ะประกาศข่าวประเสริฐ ทำงานที่ไหนก็ได้ใช้ชีวิตผูกพันกับคนแล้วก็บอกเขาถึงเรื่องราวความรักที่พระเจ้ามีต่อเขาทำอะไรก็ได้ในคิสจกักเรายินดีที่จะรับใช้พระเจ้าและเนี่ยค่ะเราจะได้เห็นว่าคิสจักแห่งการรับใช้จะเติบโตและได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากมายเกินกว่าที่เราจะคิดได้ขอให้คิสจักเมืองอันทิโอคนี้เป็นเหมือนภาพจาลองที่จะทาให้เราเห็น ความสําคัญและหัวใจของคริดจักรแห่งการรับใช้ด้วยกันนะคะให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ย้ําเตือนในชีวิตของเราถึงหัวใจแห่งการรับใช้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นแต่การรับใช้นี้จะต้องเป็นภาพรวมเป็นคริดจักรที่เราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะเป็นเหมือนกองไฟที่ลุกโชติช่วง จากฐานหลายๆก้อนจากฟืนหลายๆดุ Abi, ๆดนข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอํานวยพระพรไม่ใช่เพียงแต่คิดจักวัฒนาเท่านั้นแต่คิดจกักทุกแห่งในประเทศไทยคิดจักทุกแห่งทั่วโลกจะมีหัวใจแห่งการรับใช้จะมีหัวใจแห่งการปณิบัติพระองค์ข้แ า, า ingo, แ, แต่พระบิดาเจ้าค้าขอพระเจ้าเมตตาเราจะมีหัวใจที่ร้อนรนในการปณิบัติพระองค์เราจะไม่เป็นเพียงแค่คิดชน หรือคริสเตียนที่ได้ชื่อเพียงเท่านั้นแต่เราจะมีชีวิตที่สำมแดงองค์พระเยซูคริสต์ให้กับคนมากมายและในช่วงเวลาแห่งการทุกโศกการไร้ซึ่งความหวังการหมดกำลังใจขอพระเจ้าใช้เราพว่งเจ้าให้เรามีชีวิตที่กระทบกับชีวิตคนอีกมากมายและบอกเขาว่าพระเยซูคริสต์เป็นความหวังเป็นชีวิตและจะเป็นทางเดียวที่จะนำพาชีวิตของเขา ให้กลับมาสู่ความชื่นชมยินดีได้ขอบคุณพระเจ้าเราขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพค่ะ